ต้อนรับสาธุชนษุิกษุกษกษนีที่มาจากประเทศจีนแนละพวกเราทุกคนที่เป็นคนไทยนี่คือวัดป่าสุขโตสุขโตแปลว่าผู้ไปดีมาดีอยู่ดีอะไรบองอะไแย่ดีหมด ชีวิตของเรามันมีอะไรมากกว่าเป็นสามันลักษณะควไมหมเที่ยงความเป็นทุกข์คว ม, ม่ใช่ยตัวตนแล้วก็มองสิิ์เหล่านี้เป็นเนี่ดีมองความโลกความโกรธความหลงเป็นเนี่ดีก็เราจะได้วิวัฒนาตัวเอง ความยากก็ดีจะได้ลุยๆสักหน่อยเข้มแข็งความอ่อนแดจะได้เจริกล้าจึงมีแต่ประโยชน์ในการให้ชีวิตของพวกเราแต่บางคนเอาความยากมาเป็นความอ่อนแดไม่กล้าทำไม่กล้าสู้ความยากเอาความทุกข์ เอาความโกรธโลภหลงมาเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการมันวนชีวิตของตอนเองเอาทำชั่วไปตามอาการนันนเสียท่าไปแล้วเราจะได้วิวัตรพัฒนาตัวเองเพราะเห็นอันสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราเหมือนเราเป็นนักส้มเตมสิ่งที่สำรุดสุดโทรม การปฏิบัติทำเป็นการซ่อแมแซมถ้าจะเปรียบเหมือนกับชีวิตของเหล่านี้มันถูกชนมาเป็นถ้าเป็นรถก็เป็นรถมือสองเคยเจ็บปวดมาแล้วมีช่ำมาแล้วดีใจเสียใจผิดถูกได้เสียสุขทุกข์รอยแผลในการใช้งาน กายใจของเราเมื่อเรามามีสติมาปฏิบัติทำเป็นการซ่อมให้มันดีขึ้นพิดัไปในความผิดมันจะได้ถูกในความทุกข์จะได้ไม่ทุกข์ในความโกรธจะได้ไม่โกรธในความยากจะได้ไม่ยากได้ว่าดีกว่าเ ก, ก่าก็ได้ แม้ว่าเราใช่อะไรก็ตามมันจ ะ, จะดีกพอเกา่าถ้าใช่เป็นแตาใช้ไม่เป็นมันของดีก็เสียหายได้ไอชีตของเราเนะี้ยแม้นว่ามันมีทุกข์รวมทุกเนี่แหละจะพาถึงสู่มรรคสู่ผลนิพพานได้ความไม่เที่ยงเนียแหละที่เราเคยเสียใจลองให้เพราะว่าไม่เที่ยงควาเป็นทุกข์อันนี้แหละสำคัญจะได้ถึงมรรคถึงผล เหมือนปุ๋ยที่มันไม่ดีมันจะได้งอกงามกับต้นไม้ชีวิตของเราเช่นกันใครๆก็เหมือนกันหมดอย่าท้อแท้ในการวัดพัฒนาตัวเองอย่าท้อถอยอย่ายอมมันจะมีการชนะอันยิ่งใหญ่คือชนะตัวเองเนี่มันไม่ใช่เอาชนะคนอื่น อันนี้ขอท่าทายที่สุดเลยเพราะผู้เจ้าสอนเรื่องนี้จริงๆผู้เจ้าก็ตัดสิรูเรื่องนี้จริงๆไม่ได้วิเศษที่ตรงไหนเหมือนสาเหมือนชนธรรมดาเหมือนพวกเราทุกชีวิตเนี่ยแเสมือเกินหมดแต่บางคนชาติใดประสาใดาอันเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่มันต่างกันเพราะเขาเปลี่ยน บางคนความโกรธแม่เป็นอันเดียวกันโกรธจนตายทุกข์จนตายหลงจนตายแต่ถ้ามีวิวัฒนัฒนาวัฒนวิปัชนาเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนร้ายเป็นดีมันก็ภูมิใจมันก็รอมีผีเมือการงานอะไรต่างๆอยากแค่ตรงที่มันผิด ก็ตือหเรือโลุนมากถ้าเป็นนายช่างก็อยากแค่ประกาศเลยเป้นป้ายเลยต้อมแซมก็เป็นช่างตัดผมเป็นช่างตัดเสื้อผ้าเป็นช่างจักสารอยากแค่อยากโชว์ผีหมือใครทําผิดมานี่มานี่เป็นเวิมสง่าราสีตรงนั่นด้วยแก้ความผิด เป็นความถูกต้องแก่ความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เป็นความสหาราศีมีศักดิ์ศรีของชีวิตเราจึงเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้หรอกในโลกนะี้โดยเฉเรื่องการเรื่องใจชนะหมดทมได้หมดเราจึงจะทุก์ทุลนเรื่องนี้กันยิ่งเป็นหนุ่มเป็นสาวยิ่งดีใหญ่ จะได้มีชัยชนะตั้งแต่ต้นๆชีวิตยิ่งมีอายุเรวก็ยิ่งดีใหญ่ใจที่มีบทเรียนเยอะๆประสบการณ์มากกว่าคนหนุ่มสาวคุยได้เพราะเราเห็นอะไรหลายอย่างกว่าคนหนุ่มสาวแต่มาคุยกวดเราเรื่องทุกข์ก็จะมาคุยกวดเราเราเคยรุยมาแล้ว อะไรที่มันทุกๆสุกๆอ่ะไม่ต้องอวดลงเพราะเราเคยลุยสนามเรื่องนี้มาแลกลานมาแล้วหล่มลูกคุกคานมาแล้วเป็นเรื่องดีะอ๋อทุกอย่างยึดกับเราถ้าศึกษาถ้าไม่ศึกษาไม่ดีเลยเลยไม่มีสิ่งใดดีเลยถ้าไม่ศึกษานะกานเรา ยกนิ้วเลยคนนึ่งล่ะในโลกเนี่ยเราเป็นหนึ่งละ่ะเทียบไหลกับทุกอย่างได้ลโลกพ่อนี่แม่นี่เราคนนึ่งละ่ะเอาปานนั่นละ่ะยาท่อถอยเลืองมันกรรมได้จริงๆริงว่ามีสติแล้วก็ทําได้เรามีสติแล้วก็ทํ า, มาทไม่ได้ตอนที่มันไม่ได้ละ่ะ มันก็ต้องมีได้ออนที่มันผิดอ่ะมันจะต้องมีถูกไอนที่มันทุกข์อ่ะมันต้องไม่ทุกข์อันที่มันหลงมันโกรธมันละมันจะต้องไม่ทุกข์ไม่โกรธไม่โลภไม่หลงอันที่มันมีแก่เจ็บตายนั่นแหละมันจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันที่มันมีสุขไปทุกข์มันจะเหนือสุขเหนือทุกข์ได้ลองดูชื่อ โดยเจ้าไม่ได้เลื่อนๆลอยๆตัดไว้ดีจริงๆปฏิบัติได้ให้ผลได้ถ้าทาอย่างนี้แล้วหนึ่งวันเจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปีพิสูจนกันเนี่ยเรื่องการเจริญสติเนี่ยถ้าจะดูประวัติพุทธศาสนาต้นๆเนี่ย ในช่วงนี้แหละในโลบสองพันห้าร้อยเก้าสิบกว่าปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงต้นๆภายในเจ็ดวันห้าวันสิบปอนหนึ่งเดือนถึงนแปดเดือนเนี่ยตอนเป็นเดือนแปดถึงมันเป็นเดือนสามเนี่ยเกิดพระรหลังจีนอส่งขึ้นในโลกต้องพันกว่าลูก พิสูจกันอย่างนี้เรื่องนี่จะให้มันหนีไปไหนเราก็มีสิทธิเหมือนกันจะให้เป็นลอยไปไหนชาติ ห, หนึ่งชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพื่อการนี่โดยตรงชีวิตเราว่อแม่อุตสาหเลี้ยงโลกแม่อุตสาหตั้งครัน เรี่ยงเรามาเพื่อการนี่โดยตรงให้มันกุ้มค่าจนตอบว่ากุ้มค่าน้ำนมแล้วแม่เอ้ยจนภูมิใจพูดออกมาได้อย่างสง่าราศรีกุ้มค่าแล้วคุณพ่อคุไแมุ่้มค่าพ่อแม่ที่เกิดเรามาแล้วลูกชายของพ่อของแม่คนนี้ลูกสาวของพ่อของแม่คนนี้ไม่เสียือง หลตากเคยพูกัจอโนตตอนที่เราป่วยอนอนตื่นขึ้นม า, า, าแล้วบอกจอโนดว่าบอากจอุ่มว่าเไม่เสียแงรงหเกาจอโนตจทุ่มวันดีวันดีคืนขึ้นเราไม่เสียแรงพี่ดูแลเราจอโตมจอโนตขนหมูไม่เสียแรงดอกเหรอวะ พ่อแม่เลี่ยงเรามาก็ให้พูดกับตัวเองอย่างนี้แ่นว่าพ่อแม่เราไม่มีแล้วแต่เรายังภูมิใจว่าเรามีโลกของพ่อของแม่คนนั้นเรก็ยังมีชีวิตอยู่มือห้านิ้วสิบนิ้วมีกายมีใจเนี่ยจะต้องเราควาั่วต้องทำความดีทำจิตให้บริสุทธ์ เป็นเอกลักษณ์ของเราแม่พ่อแม่ไม่มีแล้วก็ออยังทำดีพ่อแม่มามีแล้วก็รลบค ว, วามชั่วมีจิตบริสุทธิ์อยู่้าเป็นอุทิศก็อุทิศส่วนบนนุญกุศลในให้พ่อให้แม่ตลอดเวลาก็เกี่ยวกับเราเลือดเนื้อกะูกสีละร่างกายทั้งหมด เป็นของพ่อของแม่ที่เรามาไปเป็นลูกไข้ก็เป็นเหมือนคนคนนั้นเลือดกุ๊บเดียวกันใบหน้าใบตาเลือดเนื้ั่นเดียวกันไม่ได้ห่างไกลกันเลยเราหลงไม่ได้สงสารพ่อแม่พ่อแม่ไม่อยากให้หลงเราทุกข์ไม่ได้สงสารพ่อแม่พ่อแม่ไม่อยากให้เราทุกข์เราโกรธไม่ได้สงสารพ่อแม่พ่อแม่ต้องการให้เราโกรธ ไม่กล้าทุกข์ไม่กล้าโกรธไม่กล้าทำชั่วนี่คือหัวใจของเราไม่ใช่เราคนเดียวเึื่องพวกเราเนี้ก็ เ, เห็นอยู่อย่างนี้มีปัญญาสามีมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องมีเพื่อนบ้านเพื่อนประเทศนั่งอยู่นีย มาจากไกลๆมาจากกินมาจากที่ไหนเยอะแ ย, ยะไปเลยมาบวชนี่ยเสยามาถึงป่านนีแเราก็จะทิ้งกันได้ทำไมดูเลยกันน่ะช้วยกันน่ะอะไรที่มันผิดมันถูกบอกกันน่ะแล้วก็ไม่ใช่บอกเฉยๆทากันอยู่เนี่ย ให้มันดีกว่านี่ไปอีกไอ้ชีวิตที่ร่วงกันพี่รูสองนองรูหนึ่งเหมือนกับสมัยครั้งพทุทธเจ้าลำพังพระองค์เดียวเมื่อเกิดสาวกขึ้นมาต่างก็ถ่วยพระองค์การปกครองกันอะไรต่างๆการดูแล เป็นอธิการในด้านต่างๆเจ้าอาธิการในด้านเสนาสนะแจ ก, กเสนาสนะให้ผู้มาอยู่อาศัยอย่างเหมาะสมเจ้าอาธิการอาหารแจ ก, กอาหารไม่ทั่วถึงไม่หวงไม่บริโภคคนเดียวเจ้าอาธิการเครื่องนุ่งห่มชีวรแจ ก, กให้ทั่วถึงไม่ ใครคนใดคนหนึง่งขาดลุ่งกว่ลิงอุานเท่าหายน้อยหายใหญ่ล้นหายน้อยไม่เต็มหายใหญ่หายใหญ่ล้นหายเล็กไม่เต็มเลยเข้าใจไหมน้ำตุ่มใหญ่ๆองใหญ่ๆล้นฝนตกอ่ะแต่องน้อยๆไม่เต็มเลยปกคือตลอดเวลา ว่าองค์ใหญ่เต็มองค์เล็กไม่มีน้ำเราหมายถึงอ่ะผู้หลอกผู้ใหญ่เอาอะไรมาจนร่นเหลือแต่พูดน้อยไม่มีอะไรจะกินอันนี้มันก็ไม่ได้ต้องให้ตัวถึ ง, ถงเรียกว่าอาธิการการตีไข่เรารดซุดโสมเจ้าดีการซ่อมแซมเจ้าดิการคลัง แต่การครางแกกอะไรต่างๆในส่วนรวมอวของใชของสยเป็นสังคมนิยมไดยทำไปไหนเนี่ยในหัว ไ, ไว้บริโภคคนเดียวเป็นของเราร่วมกันมีสิทธิใช้เสมอกันนี่ก็มีคนแก่ดูแลคนแก่ให้ด้วยให้สวัสคนแก่มาอยู่แอกันมาก บางทีวันว่าวันจีนห้องเดียวสียห้าคนคนเจ๋อต้องพิเศษกูคนหนุ่มอะคนเจอต้องมีพิเศษจักหน่อยให้ดูแลความสะดวกบางทีคนเจ๋อช่วยเองไม่ได้ต้องอาศัยผู้หนุ่มคนหนุ่มช่วดูแลอันนี้สิ่งที่เราอธิการส่วน ตัวความชั่วความดีเป็นส่วนตัวเราความสุขควทุกข์เป็นส่วนตัวเราปวดเจ็เจ็บตกรอยเป็นส่วนตัวของไข่ของเราจะยอมเมื่อก็มีใครช่วยเราได้เราหลงถ้าเราไม่รู้ไม่มีใครช่วยเราได้เราทุกข์เราไม่เปลี่ยนทุกข์เป็นความไม่ทุกข์ก็ไม่มีใครช่วยเราได้อันนี้เป็นส่วนตัว ร้องให้กันตามกันขนาดไหนก็ช่วยไม่ได้เหมือนหลงตานอนตายอยู่ในห้องไอซีอยูเจ้าโยมเดินเกาะก็ะจกลองให้ ก, ก็โจก็ช่วยลงไม่ได้เพราะเราหายใจไม่ได้คนเดียวคนอื่นก็าจะหายใจได้อยู่ปวดท้องเราก็ปวดคนเดียวคนอื่นไม่ใช่ปวดให้เราได้อันเนี้ยเป็นเรื่องดีบดวน เป็นเรื่องดื้อด่วนกวเรื่องอื่นชีวิตเราเน่ยเหมือนกับนำข้างบนยอดเจ้านิดหน่อยหายใจเข้าไม่ออกก็หมดแล้วหายใจออกไปเข้าก็หมดแล้วเรายังจะมาประมาญจิตอย่างไรเราศึกษาแล้วนี่กันเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังก็ได้เจ้าบุตรตาที่ปเตอยะ บ่าลบตนเอาไว้ก่อนเหมือนพระเสด็จพระปาลบตนเป็นคนเจ็บเห็นคนเจ็บเป็นคนตายไม่โทษทุเละเรื่องนี้ไม่ปล่อยที่ปาลบตนแล้วเราจะช่วยเรื่องนี้ได้อย่างไรเราจะตอบปัญหานี้ได้อย่างไรถ้าเราไม่รับผิดชอบเรื่องนี้ใครเราจะรับผิดชอบ พระเจ้าปู่พระเจ้าย่าพระเจ้าตาพระเจ้ายายถามใครก็มีใครตอบได้ทีทธาจึงเสนอตัวเองในวัตถาที่ประเตยยารัาบผิดชอบเรืงนี้ตั้งแต่อายุหกพรรษาถึง เ, เรื่องนี้จนอายุยี่สิบเก้าพรรษาได้อดไม่หล่นทนไม่ได้แม่ลาหุนเกิดใหม่ได้เจ็ดวัน เอาอดไม่ได้แล้วต้องไปซะก่อนเพื่ออัตตาทิ่พยายาประะปาลบตนเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ได้หลงตาเคยคิดเรื่องนี้เหมือนกันสมัยมาอยู่นี่ใหม่ๆเป็นดงเลือดก็ว่าได้ที่นี่เถือ่อนมากไ อ, อกบ้านกำนันไม่มีตำรวจทหารไม่มีอยู่กันแบบป่าเถื่อน เรามาเห็นเขา้าถ้าเรามาอยู่นี่มันรู้ใครจะมาอยู่ต้องอยู่นี่หล ะ, ะเสนอตัวเองเพราะยากจะรู้วอะไรมันจะทำได้หรือไม่ได้จะกจะทำลองดูอันนี้ก็อัตตาเตยเยอะเหมือนกันแต่มันก็มีเรื่องดีถ้าอัตตาเติยะเป็น ทิปไตยอาิปไตยทำงานอิปไตยแต่ถ้ามีาตาทิปไตยอย่างเดียวไม่ถูกต้องต้องมีโลกาทิประยะซ่อนเข้ามาเเพื่อโลกไม่ใช่เพื่อส่วนตัวเอเสียเถะเห็นคนแก่คนเจ็บปนตายเนี่ยไม่ใช่ส่วนผมส่วนคนอื่นจะช่วยคนอื่น แต่ช่วยคนอื่นได้ต้องมาลู่ลรื่องนี้ก่อนถ้าจะลู่เรื่องนี่ใครจะต้องเป็นคนลู่ต้องเราเป็นคนลู่ก่อนนั้นก็เราจะช่วยคนตกน้ําเราต้องว่าหน้าให้เป็นก่อนแต่ว่าอัตตาทีปเตยะโลกาที่ปเตยเะเราเพื่ออะไรเพื่อทำเมื่อมีความแเจต้องมีความไม่แเจเป็นธรรมะไหมเมื่อมีความเจ็บก็ต้องมีความไม่เจ็บ เมื่อมีความตายต้องมีความไม่ตายเป็นธรรมไหมถ้ามีความแย่จะต้องยอมแย่เลยไม่เป็นธรรมมีความทุกข์จะต้องไปทุกข์หรือยังไม่มีธรรมถ้ามีทุกข์ก็ต้องมีไม่ทุกข์ถ้าต้องมีโกรธก็ต้องมีไม่โกรธถ้ามีหลงก็ต้องมีไม่หลงแน่นอนมองเป็นคู่แบบนี้ด้วาเพื่อธรรม อธิป่ปตายสามในชีวิตของเราให้มันตั้งค้องอยู่ตลอดเวลาเราจึงข้าวหวนระบาทเพื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อเราเลยไม่ใช่เพื่อเราเราก็ให้มีอะไรทำไม่มีอะไรทำก็ทำส่วนตัวสนุกไปกับความรู้สึกตัว สนุกไปกับความหลงสนุกไปกับความยากถ้าไม่มีหลงไม่มีอะไรยากแสดงว่าคนนั้นไม่มีอะไรทำเลยถ้าไม่มีผิดถ้าไม่มีถูกก็ไม่ทำอะไรต้องมีผิดต้องมีถูกคนจึงจะเป็นคนที่ทํามานอย่าเอาความผิดมาเป็นสิ่งอุปสรรคอ ย, ยความสุขมาเป็นความสะดวกมากได้ มันจะมีค่าจริงๆมันผิดนะมีค่าวันทุกข์ก็หนักมีค่าจะได้จะได้ประโยชน์จากมันจนเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนโกรธเป็นแมงโกรธเปลี่ยนหลงเป็นแม่หลงหนาเราจึงให้เห็นเราทําให้เป็นเวลามันหลงรู้ให้เป็นเวลามันโกรธรู้ให้เป็นเริ่มต้นจากการศึกษาเรื่องอธิปไตยสาม เปลี่ยนร้ายเป็นดีขยันทำดีขยันรู้เริ่มต้นจากความรู้ตามรอยพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้ทำอะไรเลยที่มาได้คำตอบร่งนี้เจียงแต่มามีสติเห็นกายในกายแล้วก็มีอยู่จริงกายมีสติไปในกายไม่ใช่ของหลอก กายมันก็มีอยู่เนี่ยยกเวเคลื่อนไหวไปมาอยู่เนี่ยมันก็รูดอยู่เนี่ยมันก็หลงอยู่เนี่ยมีไหมมันหลงไหมมันหลงไปกับอะไรเอากายมันเป็นตัวเป็นตนมีบ้างไหมอะไรที่มันจะยังออกทางกายทําให้หลงมีไหมความร้อนความหนาวความปวดความม้วยความหิวหลงไหมเป็นผู้หิวเลยเป็นผู้ปวดเป็นผู้ร้อนเป็นผู้ อะไรเห็นหรือเป็นถ้าเป็นละไม่เห็นไม่ใช่สติแล้วถ้าเห็นละละสติเห็นมันร้อนเห็นมันหนาวเห็นมันปวดเห็นมันเมื่อยเห็นมันหิวอันละเรียกว่าสติไม่ใช่เป็นผู้ร้อนถ้าเป็นผู้ร้อนเป็นกายในกายเอากายมาเป็นตัวเป็นตนหลอยเช่นเข้าไปอีก เกิดความทุกข์เกิดความสศกเกิดความพอใจไม่พอใจถึงใจนูน่นเรามาเริ่มต้นตัวแรกเนี่ยพระองค้าวแรกก้าวแรกศึกษาเรื่องนี้คือย้ายตรงนี้เหมือนกับเราเดินทางไปต้องมีก้าวแรกจรึงจะออกจากที่ได้เห็นกายสัาวากายไม่ใช่สัดบุคคลตัวตนเราเขาเป็นข้าวาออกไปแล้ว ถ้าเห็นกายเป็นกายเห็นกายเป็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์เป็นทุกข์ยังไม่เข้าไปไหนนี่เป็นการเริ่มต้นของสิทธถะศึกษาเรื่องการเกิดเจ็บเจ็บตายแม้พระองค์เคยเป็นเจ้าพ้าชายจบบังตั้งสิบเจ็ดศาสตร์ไม่ใช่เรื่องนี้เราก็มีความรู้กันทั้งนั้นอยู่ที่นี่ ไม่ใช่ไม่มีความรู้เลยเลยถ้าไม่มีความรู้เลยคงจะเป็นหลวงตาเนี่ยจ เ, เพื่เหรียญแค่สามชั้นัวหนึ่งปวสองปอสี่ปวสามไม่เรียนเลยอันนี้พวกท่านทั้งหลายก็รู้กันทุกคนแล้วแต่อย่าเอาความรู้นั่นมาเป็นทิฏฐิมานะแต่รู้จริงๆแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยมาศึกษาแล้วนี่กันของจริงมีกาย แต่เห็นกายเอากายมาเคลื่อนมาไหวให้มันเห็นมันจึงจะเห็นถ้าไปชิดเอามันไม่สัมผัสการเห็นนี่เป็นการสัมผัสเอาไปจุ่มไปต่อกันเอากายไปต่อความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวไปต่อโอกายเห็นกายอยู่เป็นประจําเห็นกายจะเป็นประจําอะไรที่มันเกิดขึ่นกกาย อย่าไปเป็นไปกับมันให้เห็นมันจนเห็นกายสวะ ก, กายไม่ใช่สัตว์บุคคลโตโตนเราเขาอะก็เอาแลกไปแล้วเอาไปแล้วแต่อะไรกายมันก็ไม่ใช่กายอย่างเดียวมันมีเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์อ๋อเห็นดีกันแหละอันเดียวกันหลักเดียวกัน อสุขทุกข์ที่เป็นเวทนานันก็สักว่าเวทนาไม่ใช่จัดบุคคลโตโตัวเ่าเขานอนเก้าที่สองไปแล้วผ่านกายไปแล้วผ่านเวทนาไปแล้วเวทนาเป็นภาษาธรรมภาษาอินเดียภาษาคนไทยเรียกว่าสุขทุกข์สุขทุกข์กภาษาไทยภาษาอินเดียบาลีเรียกว่าเวทนา ทุกขเวทนาสุขกกเวทนาภาษาไทยด้วยสุขทุกขเท่านั้นเองเห็นแล้วเก้าที่สองแล้วผ่านกายไปแล้วผ่านเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกขไปได้ใช่สูตรเดียวเฉลยไปได้ละสติเห็นกายเว้ากายเห็นเวทนาสักว่าเวทนาเี่ มีบทเรียนแล้วตรงนี้ยได้บทเรียนแล้วธรรมชาติสอนแล้วอาการสอนแล้วเห็นของเทศของกิ่งแล้วต่อไปก็ไปเห็นจิตอ่ะมันมีจิตเนี่ยมันคิดอะไรปะไอโนโนบางทีมันหอบพิ้วโรไปก็สีสังอ่ะใช่ไหมหอบพิ้วไปกุนเทพหอบพิ้วไปอยู่กับลูกกับหลานมันหอบพิ้วโรไป บังทีจิตเนี่ยแม้มันไม่มีตัวมีตนมันก็มีอำนาจมีความเป็นใหญ่ได้นี่หมายจิตอ่ะฮะไอ้เพี้ยนมีจิตปะนอนเยวัดแต่มันไป น, นอนดําหลานหน่อยกวนะ่าน่อยไม่บานว่าอาอสอนโคูคนหนึง่งมาปฏิบัติธรรมเนะี่ยให้ยกมือสร้างจัง่า ขาก็บอกว่าหนูเนี่ยมายกมือสร้างใจว่ามันจะเลี้ยงลูกได้หรือเปล่าน่ะมาคิดถึงลูกเสียแล้วหนูมีลูกสองคนแ้วหนูตายไปรถตุกติเหตุหนูจะเลี้ยงลูกได้ไหมเนี่ยมานั่งยกมือสร้างใจะวะก็บอกว่าไม่ใช่มาคิดเรื่องลูก เวลานี้มาสร้างสติเลี้ยงลูกไม่ใช่ความคิดเป็นการกระทำนอนไม่ใช่หมายคิดอะไรรักลูกก็ไม่ใช่หมายคิดรักจนอะไรอวรนรักพ่อรักแม่รักผัวรักเมียก็ไม่ใช่หมายคิดจนอะไรอวอจะเป็นทุกข์แล้วรักลูกก็ต้องตรงตอมทำตัวให้ดี รักพ่อรักแม่ก็เป็นคนดีรักสามีปัญญาก็ต้องเป็นคนดีรักเรื่องต้องเป็นคนดีปฏิบัติให้เป็นคนดีใหน้มใจดีไม่ใช่คิดอเอาความรักก็เป็นความคิดเอาความคิดมาเป็นความรักมันไม่ประโยชน์แต่รักลูกต้องเป็นคนดีเวลานี้เราไม่ใช่มาคิดถึงลูกมาเจริญสติเพราะเราอยู่ที่แล้ว ลูกเขาอยู่บ้านโน้นมันก็มีแต่ความคิดเฉยๆมันทําอะไรไม่ได้ลูกเรามันก็ไม่ลูจ่จังหวะแม่คิดถึงกันเรามันอาจจะสุกสนานแต่เราหลงเองไปหลงคิดัะนั้นก็คิดอย่างนี้จิตอะเอาเห็นมันละบไไ้างเอาจิตสักว่าจิตเป็นเชื้อชาบุคคลตัวตนเราขอตัวคิดมันมีสองอย่างมันละคิด ไม่อยากคิดมันก็คิดอันคิดอีแบบหนึ่งตั้งใจคิดขี้เกียจอันตั้งใจคิดเนี่ยไม่อยากคิดดอกแต่รักคิดแต่ตัวสังขานนั่นมันขยันกลางคืนเป็นขวันกลางวันเป็นเปลวมันขยันคิดกลางคืนบ่าขวันกลางวันว่าคิดมันคลุ้งอยู่มีอำนาจป่าเถื่อนควมคิดแบบนั้นน่ยไม่ใช่ อาเส่มันได้บางทีมันคิดกันมาน้าตาไหลก็มีอันความคิดนั่นนะที่เกิดมาเราหัวเราะ ก, ก็มีร้องไห้ก็มีที่เกิดมาเรารักก็มีคิดคมาเราชังก็มีไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่อะไรอันตรนอนะสักว่าจิตไม่ใช่สัตว์ปุกลโตตนราเขาอย่าไปเชื่อว่าน ให้มีสติกลับมาเวลาอะไรที่มันคิดไปรู้จึกตัว่็เรารู้สึกตัวขณะที่มันหลงคิดหรือว่าสอนจิตแล้วให้มันกลับมาไม่ใช่ใบเถื่อเพื่อมีจิตนี่จะคิดได้ทุกอย่างก็ไม่ใช่อะไรก็คิดได้หมดไม่ใช่เลยมันผิดประเภทผิดปรมาภิผิดสมมุติเหมือนมีด เอาหันผักไปฟันฟืนมันผิดสมมุติบัญญตัตินี่หันผักก็ต้องหันผักนี่แฝงไม้ ก, ก็ต้องแฝงไม้มี่ใช้งานต้องใช้งานเป็นสมมุติบัญญัติให้มันถูกต้องรวมชิดนี่ก็เหมือนกันชิดไม่เป็นบางคนมีจิตก็ชิดไม่เป็นจิตลงโทษตัวเอง คิดรักคิดชังไม่ใช่ไม่ใช่ิตใจของเรามาจับประโยชน์เป็นอันตรายามตามความรักท ต, ตามความชังนางโมลาขก้นดดาบ้โจนขฆ่าจันทรบตายเพราะความรักโจรกล่องข้อน้อยฆ่าแม่ความคิดที่เป็นโกรธผมโกรธแม่จนฆ่าแม่ตาย ความโกรธให้ทําชั่วความหลงทําไมทําชั่วเพราะเกิดจากความคิดนี่แหละเห็นจิตสว่าจิตไม่ใช่สัตว์บุคคลโตโตนเราเขาเพามันเข้าออกไปสอนมันใจแต่ถ้าไม่สอนมันชุกโชนมันดื้อถ้ามันดื้อมันพอสอนหน่อถ้ามันด้านนี่สอนไม่ได้ มีทั่วไปคนที่ด้านที่สุดสอนไม่เอาในชีวิตเรามันก็มีความดื้ออยู่ไม่ใช่คนอื่นดื้อมันด้านจูเวลาโกรธเป็นรู้จักอายหน้าด้านด่ากันได้ทั่วบ้านทั่วเมืองคนหน้าด้านเคยไหนเคยหน้าด้านไหมขี้หน้ารากันให้อายคนมีไหม มันงพ่อเทียนอาตาก็จะให้โกรธให้แก่พระอ้อมบ้านเีงดีกว่าอันแก่พระอ้อมบ้านก็น่าอายอยู่เลยแล้วอันโกรธมันน่าอายกว่านั้นเนี่ยมันเห็นจิตแต่ว่าจิตไม่ใช่สัตว์พวกก้ตัวตนวโหลโขน่ะแต่เชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อจะทํตาตามพระเจ้าสอนหรือจะไม่ทําตา ม, ามแต่ทําตามก็มีประโยชน์ ค้นไปได้เนี่ยอาที 3, ่สข้กอที่สามไปแล้วข้อาที่สีอีกเห็นธรรมสักว่าธรรมไม่ใช่จัดปกคลตัอตอลวตนเหาเขาทมคืออารมณ์เกิดกับใจคุ้มลร้คุ้มดีบางทีก็เป็นกุศลฉลาดกว่าคนอื่นสำคัญว่าดีกว่าเขา บางทีก็มีความสุขหลงอยู่ในความสุขบางทีก็มีความรู้หลงอยู่ในความรู้เป็นจินตยาณไปเลยคิดอะไรลูไปเลยนั่นเป็นทรรกุศลบางทีก็เอากุศลง่วงเหงาหอนอนคอบําจิตมันก็คอหบํากายหงุดหงิดเบือ่อนาย ยากยากยุ่งยุ่งหมู่นี่ไม่ดีเลยอารมณ์ไม่ดีนันนตนอันนี้อ่ะธรรมไม่ใช่อารมณ์อย่ า, ยาอารมณ์มาเป็นจิตมึงควจะอารมณ์มาเป็นจิตเอาความโกรธมาเป็นจิตตามตามความโกรธไม่ใช่เลยอารมณ์ไม่ใช่จิตนั้นสักแต่ว่าธรรมเฉย บังคนไปเอาความโกรธเป็นจิตเอาความรักเป็นจิตเอาความเกลียดเป็นความเบื่อความอร่อยต่างๆมาเป็นจิตถ้าครูได้โรกรธแล้วปายคูก็ไม่ลืมถ้าครูได้โรกรธแล้วกรูไปด่ากันไม่ยอมถ้าครูได้โรกรธแล้วคูไม่ห้ามันก็ูไม่ยอมเอาเอารมณ์มาเป็นจิตของตัวเองทำตามความผิดความคิดของตนเองคนที่สูกก็พลาดเขี่ไม่ได้ ทำไปแล้วโมลาฆ่าจันทกรบเพื่อจะได้โจรมาเป็นสามีคนใหม่เป็นคนสวยกว่าเมื่อข้าจันทกรบตายไปแล้วโจรไม่เอาโมลามาเป็นเมียโมลาก็ยิเสียดายจันทกระบเจ้าคืนก็ไม่ได้แล้วตายไปแล้วนีออ่มันผิดพาดเพราะความหลงอารมณ์น่ะแหละทําให้รหลง ไม่ใช่จิตมีไหมผิดพลาดเพราะจิตไม่ไมีอะไรที่มันบางทีด่ากันทะเลาะ ก, กันแล้วพอหายโกรธอายกันอายกันบางทีทะเลาะ ก, กันแล้วก็มีปัญญาทิ้ง ก, กันแล้วพอหายโกรธกลับขึ้นมาหากันใหม่มันเป็ น, ช น, น, งงนเช่นนั้นอย่างนั้นหรือจิตอันนอารมณ์นนั้นธรรมสักว่าธรร ม, รรมไม่ใช่สัตว์บุคคลโตตนเหล่าเขา ให้เห็นเนี่ยลื่องโครงสร้างมันเนี่ยองเลือนมาอยู่ตรงนี้แน่นอนให้มันเห็นทั้งสี่อย่างนี้จะได้เคลียช่างหน่อยเบาเบาบางบางลงไม่เป็นโครงสร้างแต่ก่อนมันเป็นโครงสร้างมากแน่นหนามากตัวตนอยู่ในกายตัวตนอยู่ในเวทนาตัวตนอยู่ในความคิดตัวตนอยู่ในธรรมนี้ หนามากเลยเป็นปุถุชนไปเลยปุถุไปประพุ่นหนาเรื่องนี้ต่ามาลูกเรื่องนี้จะเป็นกันลยาณนะปุถุชนเบ า, เาลง ม, มาอีกสักหน่อยเบาบ า, บางๆต่อส่องเห็นอะไรได้เนี่ยมันไปอย่างนี้เราก็ได้บทเรียนจากสิ่งเหล่านี้ไปจนเห็นลูกเห็นนามเนี่ยมันอยู่ที่นี่ ถ้าเห็นรูปเป็นนามหลอกกายก็ตามเวทนาก็ตามจิตก็ตามธรรมก็ตามไม่เป็นไปทั้งสี่อย่างเป็นนาการเป็นธรรมชาติไม่ใช่กายไม่ใช่เวทนาไม่ต้องเรียกมันอเลยเป็นอาการเป็นอาการของกายเป็นอาการของจิตความโกรธเป็นอาการของจิตความร่วงความหนาวเป็นอาการของกายอันเดียวกันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตน เป็นอาการเป็นธรรมชาติเป็นฉันยานภัยของเขาให้เราช่วยเขาแลก็โขกทุกข์ก็ให้เขาไม่ทุกข์ด้วยช่วยเขาให้มันมั่นใจเพึ่งตัวเองได้สามารถเปลี่ยนความหลงเป็นความไม่หลงสามารถเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์สามารถเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธได้ช่วยใจ ช่วยกายอย่าให้เขาทุกข์เริ่มมันทุกข์ที่กายให้มันเห็นความทุกข์ไม่ใช่กายเห็นความเจ็ไม่ใช่กายเห็นความเจ็บไม่ใช่กายความแจ็เป็นต่างหาความเจ็บเป็นเรื่องต่างหากธรรมชาติของเขาไม่มีใครแจกใครจ็มันจะแยกไปแยกไปแยกไปแยกไปจนเหนือก่อนเกิดเจ็บตายไปนู่นน่ะมันก็เรื่องนี่แหละ เบื้องต้นก็เรื่องนี้ท่ามกลางก็เรื่องนี้ที่สุดก็เรื่องนี้ตัืงการเกิดเจ็ บ, จบตายเนี่ยผู้เจ้าศีรษะก็ได้กเกษเสไปเหมือนเวลานี่แสงเงินแสงทองทองที่ตะออกลุ่งอรณุณขึ้นหน่อยคล้ายๆอย่างนั้นน่ะเห็นอ่ะเออมันเป็นทางไปเนี่ยมันเป็นสูตรอย่างเนี้หรอ ทจะลื้อโครงสร้างจนในที่สุดพระองค์ก็ตัดออกจากพระโอษฐ์ของโมองอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์สุจินทร์พาสวดเมื่อกี้เนี่ยปัตมพุทธภ า, า, า, าชิตะคาถาปัตมพุทธภาชิตะปัตถมคือปัถมปัถมคือขั้งแรกหนึ่งก็ปัตถมคือหนึ่ง เอกนี่ก็หนึ่งหนึ่งตั้งแรกตจา ง, JD, งาจเจดีย์นครปฐมตำไมจึงเลือกนครปฐมเพราะขั้งแรกพุทธศาสนามาปฏิสถานขึ้นที่ประเทศไทยมาสร้างเจดีย์ขึ้นอันแรกที่นครปฐมจังหวัดนครปฐมจึงได้ชื่อว่านครปฐมปฐมไม่เจดีเนี่ย มสมมภาจิตคืออันแรกที่พระองค์ออกจากพระโอษของพระองค์เมื่อก่อนนี้เรายัางไม่พบยานแล่นท่องเที่ยวไปสงสารเป็นเอกชาติกายสังขารเจรินาสังขารจิตสังขารปรงแต่งไปแล้วจีสังขารพงแต่งไปยตอนนี้เรารู้จักเท้าวเสร็จแล้ว กองรอนทั้งหมดของเจ้าเราหักลงแล้วยอดเรือนเราก็ลื้อลงแล้วจิตของเราถึงแล้วจังสภาพอิเล่ปงแต่งมาได้อีกต่อไปนั่นแหะมันลื pattern, ้อออกมาอานความทุกข <arithmetic> ์ความโกรธความโลภควหลงมาใช่เรื่องจิตลื้อออกแล้วตั้งแต่อยู่สุขโตน้น์จะได้มากไหม เลือกออกแล้วตั้งแต่อยู่สุกโตสองพันห้ารอยห้าสิบสองนนท์ก็เจ้าลูกหลังนี้ตั้งแต่อายุสามหกปีส6มหกพรรษายังเป็นหนุ่มอยู่ก็ชาติสิ้นแล้วผมว่าฉันอยู่จบแล้วจิตอื่นที่ทำไม่มีแล้วไม่มีอะไรทำเลยฉันไม่มีไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยจะพอได้ไหมฮะ แค่พอมีกระแสสักหน่อยไหมฉันไม่มีไม่เป็นไรเลยอาจารย์พุทธะพูดว่าทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไรบางท่านตีงานกันเยอะๆอะอ่านผ่านในลึกๆทั้งวันฉันไม่ได้ทำอะไเลยนะไม่ทำอะไรก็ไม่มีแต่ธรรมชาติการแก่ก็ไม่ใช่ชีวิตการเจ็บก็ไม่ใช่ชีวิตฉันไม่ได้แก่ฉันไม่ได้เจ็บฉันไม่ได้ตาย พุทธะไม่ตายอย่างอยู่คู้กับโลกเจอในที่สุดวะไปจิมโมอาวัตสอนพวกเราอย่าประมาทสังขารนี่มันไม่เที่ยงนะมันไหลไปไหลไปวันนี้ก็ไหลไปอีกแล้วมันก็ไหลไปเฉพาะกาลเวลาไม่ใช่เท่านั้นมันเอาชีวิตเราไปด้วย เราชีวิตเราผ่านไปด้วยอย่าประมาทใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์อย่าประมาทไปหนุ่มวัยสาวอย่าประมาทในความสะดวกทรัพย์สินเงินทอ ง, งหลงไหลในราบยศสันเสริญเกินไปถ้าสะดวกเรื่องทรัพย์สินเงินทองเอามามาเป็นประโยชน์ในการบรรลุธรรมถ้าคนจนก็บรรลุธรมรมได้ยาก ถ้าไม่สะดวกเมือแต่ยุ่งแต่ยากอยู่บางทีก็ถ้าใช่เป็นก็สะดวกมนุษย์ทาได้ทุกโอกาสเช่นนวดลางตำข้าวป่าเฟยนเคยตำข้าวไหมข้าวมันจะมีกระเดียงหางกระเดียงเท่าเนียง้วเหยียบให้แม่นนะบางทีไม่มีไฟกลางคืนตำข้าว นี่ไหมใครเคยทำข้าวไหมหางกระเดียงมันน้อยไม่ใช่ใหญ่มันกระดานพื้นเนะี่ยแท่ฝ่าเท้านนะ่ะแล้วก็ไม่มีไฟต้องมีสมาธิเหยียบกระเดียงให้พอดีหลวงตาเคยทำข้าวนะเหยียบหางกระเดียงให้พอดีถ้าเหยียบไม่ถูกก็ฝ่าเท้าหลุยหางกระเดียงหางกระเดียงมันกลมๆมันจะบาดหน้าแข้งบาดไปเลย แล้วหลุดไปทางนี้ก็ไม่ได้หลุดไปทางนี้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ถูกก็ไม่ได้ต้องเหยียบพอดีทั้งทั้งติ่ตามไม่โลอ่ะใสมือดึงหลักถาก็เหยียบ้องเหยียบลองให้พอดีถ้าแหลงกันไปข้าวก็ฟ้งออกก็คกก็ไม่ใหญ่สากก็ลงให้ตรงๆถ้าเหยียบดักแปลงนี้มันก็สากสี่ตำข้าวก็กวดไปทางนี้ข้าวก็เด่นออกถ้าเหยียบไปทางนี้สาสังตรงทางนี้ก็ทางนี้ก็เด่นออก ต้องมีสมาธิไป ห, หลางตำข้าวมีสมาธินะสนุกดีไม่ได้คิดเรื่องใดตำข้าวไปสนุกกับการทำงานไปสนุกการทำงานเบิกบานใจพร้อมกันไปหลายสัมไม่ข้ายิ่งได้งานได้บรรลุธรรมไปอีกอันหนึ่งก็ข่าฟืน้นใช้ผ่าฟืนไม้ เป็นดุ้นยี่ใหญ่ต่อมาเป็นซอยรุ่นเล็กๆขนาดเนี่ยเอาขวานจับลงไปให้แม่นนะสับรู้ให้แม่นถ้าจับไม่แม่นก็ไม่ถูกเจ้าตรงนี้ให้แม่นสับตรงเดียวให้แม่นถ้าสับโทรลธีไม่แตกถ้าสับไม่ถูกที่เดียวกันอ่ะอ้าปลุกไปเพื่อไปถูกที่เดียวกันสักสองสามทีมันก็แตกออกซอยออกเป็นดุนถ้าดุนใหญ่มันก็เข้าก้นหม้อนึ่งไม่ได้ เ้นหม้อแจงมาอะไรต้องท่อนเรื่องอะไรที่สุดก็เท่าด้ามเม็ดอ๋อน่นก็มีสมาธิไม่ใช่เรื่องเร็วนะผ่าพื้นตับข้านะอังคนเพืเท่าเขีนยนพากลางคืนไม่ต้องดูอะไรปิดปอลังตา ก, ก็ปิดปอดจักตอ ก, ตอกไม่ต้องดูจักตอกเหลาตอกไม่ต้องดูมันสัมผัสไปมันเรื่องดีนะไม่นางการทํามาลัอย่าถือว่าเป็นเรื่องทุกข์เรื่องยาก เรามาทำอันนี้จะยิ่งดีนะมันจะมีความผิดพลาดอยู่ความยากความผิดความถูกความถุกความทุกเกิด ข, ขึ้นจากการปฏิบัติธรรมเยอะแยะเลยปวดขาล่าแช่งแต่ว่าทาข้ายากกว่านี้ห้ยหลังทำข้ายากกว่านี้เรามานั่งจุกมือมันจะยา ก, กาอะไรอันนี้ก็สมควรใช้เวลาโอ้ไหลไปไม่มากแค่นี้